เรามาต้องไปถามผู้ใดเราถูกหลอกหลายข้างหลายขาวให้เป็นสุขเราถูกหลอกหลายข้างหลายขาวให้เป็นทุกข์ทั้งๆนี่มันเป็นฉะนั้นเราไม่เห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆโดยเงมาะรู้ซื่อๆเน่ยให้มันลบศูนย์จ้ะที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์เหลือศูนย์ไม่มีค่าสำหรับเราเลยในโลกนี้แต่ก็ใช่สมมติปัญญา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 เพราะมีการศรึกษาหลักสูตรสําเร็จสูง ส, สุดในโลกนี้บางคนมีปากกาปากเดียวบางคนมีกางไกอันเดียวหาชินตลอดชีวิตถัดเสื้อผ้าไม่ต้องมีอะไรุกวันนี้มันพัฒนาไปแบบนั้นแต่ว่ายังมีทุกไหมมีสุขไหมเขาฝ่ายคว่าหาความสุขเขาหนีความทุกข์อะไรที่เขามองว่าเป็นทุก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 แต่คนก็มาช่วยให้ออกนี้จากธรรมะไปร้านลองทานนะ่แะแรกจะจะกินอะไรติดป้ายขึ้นว่าลองทานบริษัทนั่นลองทานธนาคารนี่ลองทานที่นูนที่ตั้งขึ้นมาวินเทอ บ, บาทก็ใส่รถเขียนมาเป็นหลายพันตันวินเทอ บ, บาทเออเทวาแตแค่นี้ไปถึงสลาหน้าเนะี่ยถายวาดสี่ครั้งอร่อยการนกิน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 ปัจใจสี่ปัจใจห้ามันไม่ใช่ภาวะอันภาวะซื่อๆเนี่ยมันก็เกิดปัจใจสี่ปัจใจห้าได้อย่างง่ายได้ถ้าไม่ซื่อๆมันเกิดแต่ยากเพราะพอดีก็สูบมันไม่ซื่อๆเล่เาก็ดื่มเที่เทเยวเตะเร่ร่อนพุ่มเพือพุ่มเวยมันก็เลยไม่ซื่อๆแต่ที่จะมาใช่เป็นปัจใจสี่มันไม่ใช่ปัจใจสี่มันเกินนั่นไปเอา ัวยโองามเอายี่ห้ อ, อ, อ, อ, อ, อไปซะไม่ชื่อซสือเป็นเย่นั้นในโลกนี้